ผลของการนั่งสมาธิสามแบบถ้าหากเข้าสมาธิไม่ได้จะไม่มีกําลังใจนั่งเอาเลยถ้าหากเข้าสมาธิได้แต่ยากหรือช้าจะลังเลว่าจะนั่งหรือไม่นั่งดีถ้าหากเข้าสมาธิได้ดีแล้วเร็วจะพุ่งจิตเข้าใส่ทันทีที่มีโอกาส คนเข้าสมาธิได้เร็วไม่ใช่เพราะไอคิวสูงไม่ใช่เพราะมีพรสวรรค์ไม่ใช่เพราะได้อุบายลัดจัดไหนแต่เพราะรักษาจิตเก่งและจำนิมิตสมาธิที่เคยเกิดแล้วได้แม่นในระหว่างวันสามารถนึกออกทันทีตลอดจนหน่วงไว้ในใจได้นานรักษาจิตเก่งศูนย์กลางหลักที่สุด คือไม่คล้อยตามอารมณ์เพิเจอร์พูดอะไรมีเป้าหมายพอพูดเข้าเป้าแล้วหยุดแม้พูดเล่นพูดหัวเอาตลกโหวรอเสร็จก็ไม่พ่ามต่อให้จิตพลานการพูดยังมีเป้าหมายแม่นจะส่งเสริมให้จิตมีกำลังรวมทั้งเห็นค่าของการรักษาศีลห้าให้สะอาดเพื่อความพองแผ้วแห่งคุณภาพจิตด้วยการพูดเพเจอร์เป็นมุสาวาสอย่างหนึ่ง ถ้าระ ง, งับได้ก็มีกำลังรักษาเซนข้ออื่นง่ายขึ้นจำนิมิตแมนก็เหมือนจำได้ว่าหันหน้ามองหน้าต่างบานไหนและจะเห็นท้องฟ้ากว้างได้ทันทีพวกที่ฝึกอาณาปานาสติจะได้เปรียบกว่าเพื่อนเนื่องจากจำลำดับที่แน่นอนเพื่อเข้าถึงนิมิตเดิมได้ง่าย เช่นจำว่าเริ่มด้วยการนั่งคอตั้งหลังตรงสำรวจว่าเท้ามือใบหน้าเกรงหรือคลายจากนั้นหายใจเข้าออกให้ทั่วท้องรู้สึกถึงสิ่โครงที่บานออกแล้วยุบเข้าเพียงเท่านี้นิมิตสมาธิเดิมๆที่เคยเกิดก็จะเกิดอีกยกจิตตั้งเป็นสมาธิได้อีกกับทั้งต่อยอดเป็นการเจริญสติรู้นิมิตกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวใครได้สบายๆด้วยพวกที่สมาธิยังไม่ตั้งมั่นแล้วกระโดดไปทำแนวนั้นทีแนวนี้บ้างแม้ฟลุกเกิดสมาธิก็จะจำนิมิตไม่ได้เพราะจับฉายจนเลอะเลือนหรือแม้ทําอยู่แนวเดียวแต่ไม่ใส่ใจจดจำนิมิตที่เกิดแล้วก็ยากที่จะต่อติดใหม่ดังนั้น หาลำดับเข้าถึงนิมิตที่แน่นอนให้ได้จะเป็นนโยบายที่ดีที่สุดสําหรับช่วงเริ่มตั้งไข่ากเข้าสมาธิได้ดีแล้วรวดเร็วคุณจะเห็นการนั่งสมาธิเป็นของหวานอยากเสพอยากดื่มดําไปเรื่อยๆคุณจะพุ่งจิตเข้าใส่ทันทีที่มีโอกาสไม่ใช่รอให้ถึงเวลาเข้าสมาธิเป็นทางการเสียก่อนแต่อาจใช้เวลาสั้นๆที่รอใครอยู่ เอามาเข้าสมาธิเล่นไปพลางๆอย่างนี้ภาษาธรรมะคือมีฉันทะซึ่งหมายถึงความพอใจจะต่อยอดให้ยิ่งยิ่งขึ้นวิธีที่จะทำให้ฉันทะเกิดขึ้นได้มีทางเดียวคือต้องมีความสุขกับสิ่งที่ทาแล้วความสุขจากสิ่งที่ทำมาจากไหนต้องปฏิบัติให้ถูกให้ตรงทางจนเกิดความอิ่มใจมีความสาเร็จ มีความคืบหน้าเสียก่อน